ที่สานไว้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีคาตเต็มพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกขา้ามีความหนักเบามากน้อยเพียงใดทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจักษพระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชาตนั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารสที่ได้ทรงประจักษ์ในประภทยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นดันไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึง่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับขีกันพระองค์ก็ทรงหากหมดได้ทรงยิ้นรถหมดแล้วรถทางธรรมก็ได้ทรงริ้นด้วยพระไทยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนลกว่าร ถ, ถันงธรรมชนะซึงรถทั้งปวง คำว่ารถทางธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้บริจาคทานได้รับความเอื้ออีงรู้สึกว่าใจมันพองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทำบุญให้ทานาถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี้มันพองขึ้นมันเบาไปหมด สิ่งที่เราทำไป น, นี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆริงเราให้ไปเพวยผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกมุ่พองขึ้นมานี่ก็เป็นลดอันหนึ่งความลด ถ, ถึงความต้านิ่ีมันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะลดความต้านิ่ีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองและไม่ว่าอันใด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 เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่วังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตน ม, มุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำความดีต่างๆเท่านั้นการรักษาศีลก็มีความเย็นหิดเย็นใจเพราะศีลนั้นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำหน้นแความกระตุกกระเทือนซึ่งกัญแกัน กระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจพร้อมกันกันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นแล้วความคำร่กจากเราเราเองก็ภูมใจว่าไม่ทำประโยชน์แก่ตนเองไม่รักษาตนเองโดยสงดกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิศิณหุบติีรอรแห่นสมาธิ จิตที่เคยปุ้งเฟ้อเหื่อมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนเป็นจิตทิศเต็มไปได้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแสบความวุ่นวายต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจิตใจนีก็เป็นรถอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความถูกขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงใดก็ยิ่งใจะให้เจ้าของมีความเอบ้ออางมีความปีติยินดีในความสงบถุกแล้วมีแจใจที่จะพึงบําเพ็ญจิตใจงตนให้มีความสงบแ น, น่หนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อรถแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพียงรถสมาธิก็ทําให้เราเพลิน เพลินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความท่าบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งป่วนนี่เป็นรถอันหนึ่งนี่รถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่กิเลสแต่และประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสียนถอด น, น้าออกจากตัวของเรา ก็เป็นลถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลําดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยากก็สามารถถอดถอนจิเลศขั้นยากออกได้ซึ่งเป็นเสี้ยนหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเกียรแทนอยู่ภานจิตใจแล้วปัญญาคันละเอียดก็สามารถถอดถอนจิเรศส่วนละเอียดอันเป็นเสี้ยงหนามส่วนละเอียดเกียรแทนจิตใจนั้นออกได้โดยลําดับลํำดับจนกระทั่ง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 ผู้ใดริม้รมรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประจักษ์ใจแนละ้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยชื่นเชิงโดยไม่มีความติดตกติดแต่ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารถแห่งธรรมนะเป็นรถทั้งปวงก็หมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายเนี้ยรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัตินั่นให้มีความจีดจาง ห่างเหินจากความสุขอันเป็นบร ม, มสุขตลอดไปแม้จะเป็นรสแห่งธรรมในขั้นท่องเกี่ยวอยู่ในวันตตะก็เป็นรสที่จะยังผู้ น, นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นนั้นตลอดไปนี่ท่านเรียบถวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายได้แท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสคาดอันนี้ระดับใจของเรอ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 สถานที่ดีภติที่งานนี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาทอากุศลนั้นเป็นไผ่มีมากมีน้อยก็คอยลังแยรลังควนคอยเหยียบย่ทำทําลายเราอยู่เสมอปราดทั้งหลายมีพระพุธทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงติดเตี้ยน แ, นะแนะนำสั่งสอน รู้โทษของมันนะหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำหดักลำหนักอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจือปนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อไปฏิบัติสัมผัสกับทมแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก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 นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะถึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลําดับ ล, ลําดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรตันส่วนอะไรจากพุทธบอร์ษัตที่ปฏิบัติ ต, ตามพระาว่าดคำสงสอนข้อพระองค์เจ้าเลยเฉพาะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรมณสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง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 ะทานไม้ให้ตต์โลกด้วยความบริสุทธิ์พระไทยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวาัขาตาธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานนิกธรรมนามสัตว์ผู้ประพฤติธปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องจิีดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลาดับจนกระทั่งถึงยุปปนิพพาน เราจรึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาสนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะด้เลื่อนฐานะจากความเป็นดูที่ไม่พึงปักธนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นลำหนักลำหนักสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดทำละล้างสีสิ่งที่สกครกให้กลายเป็นของสะาดไปต า, ตามกัน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 ทำก็อยู่กับใจเราการแก้ทิเดศก็แก้ที่หัวใจเราการประพฤติธทมก็พฤติที่หัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับทิเดศสู้กันจำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับท่ากับ ข, ขันต้องเก็กบต้องปวดนั่นปวดนี้จิตใจอยากให้คิดไปตามมันเพยใจกวคิดไม่ได้ต้องถูกบงังคับบัญชาแก้ไขกั น, นด้วยเหตุโดยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอยา่างละอยา่าง ความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีเยอะแต่เรายังมาฝึกมาฝนผลทรมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบำเพ็ญอยู่ทนี่โลกที่เขานับถือ ที่เขานิยมวากันว่าเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่ชนนี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามความนิยมของโลกอันเป็นเรื่องของที่เล็แต่เรื่องของธรรมนี่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสําหรับผู้บาบอมเพนตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม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 มันก็ขึ้นอยู่กับอบุณิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทำฝืนฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ฝนไได้วยซ้ำเราไม่เคยเห็นนี่เหลือจูงหมาใส่ฝนหมามันจกตากฝนเมื่อไหร่จูงใส่ฝนทั้งรอ้องทั้ง ร, ทงร้ทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของทุนนักที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ ฝนนใจทามันก็เป็นเช่นนั้นฟันทานั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะเหมือนก็เป็นเครื่องทรมานตัวเองเปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดเลยไม่อยากทำแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภาในาจิตใจแล้วมีความก็ายิ่มในการพฤติปฏิมอาอ้ายากก็ทนลำบากก็พอใจขอให้ได้บำเพ็ญกุณงามความดีนาความชอบใจตามความต้องการของนตองกนก็แล้วกัน เกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาใจดีชั่วเราได้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์กู้เลิอดโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกห ก, กเหมือนอย่างโล ก, โลกทั่วไปเราขออนุญาตถ้าไหว ชีวิตต่อท่านด้วยคำว่าพุทธธงรมธรรมังขนังคาฉามินี้ประกันหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประกันเนี่ยจะชื่อเรงชื่อว่าอัต ภ, ภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่งสิ่งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรา เชื่อเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสนาเป็นผู้ครองจิตใจของเราแทนที่อยากิเลสจะครองจิตใจไปโดยลำลำดับกลับเป็นเรื่องธรรมมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายดูมากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพูดปฏิบัติของเราดังที่ดําเนินอยู่เวลานี้กับคิดในโลกทั่วไปขึ้นหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบ โลกทั้งหลายอยู่มากมายคำว่าความสงบของใจความสุขของใจที่เกิดขึ้นจากการพูดปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็ เ, เห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจํานวนมากที่เดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึงเก้าคือเก้าเปรเซ็นตเรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผูดไปพูดปฏิบัติตทรเก้าคือเก้าเปอร์9ซ็นตคงจะเป็นเรื่องทั่วโลก ส่วนหนึ่งเอร์เซนก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาในปฏิบัติตนเปินตรากฎผลเป็นที่เยือกเย็านภายในจิตใจนีนี่นีมีจํานวนน้อยมากแล้วเราก็นั บ, นบเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซนนี้ยึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอำนาจศาสนาพอสมควรแล้วที่ควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปตายเมื่อไรก็ต า, ายเถอะปราชญ์ของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนอยู่ในสกลนาการนี่แหละ ถ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกุลากายแตกที่โซนนกายไม่ได้หมายปชาช้าแต่แต่หมายถึงโซนนาการด้วยด้วยกันทั้งนั้นเราจึงไม่ควรมีตรตกยุจารา์เัื้อฐานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนไหนทั้งหมดที่นอกประจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องปาช้านี้ประจกักษ์ใจการรู้แจ้งประชากษปาช่าคือความตายว่ามันอยู่ในสกุลากายนี้โดยชัเยดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัย ยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความยืดหยุไม่สงสัยไม่คาดนูนน่นคาดนี้อันเป็นการก่อควาจิตใจตนให้ยุ่งเปล่าเปล่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตาม ป, รปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้น ความยุ่งเหยื่อวุ่นวายด้วยความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดทวงจิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลๆๆๆยําดับลำดับดูที่ไหนก็สุขะโตนั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาดุจพันได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตน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 ว่าระหว่างที่ปฏิบัตินี้เธอออ่มองเห็นตัวของเธอเป็นสัตว์ต่างๆแต่ละข้างแต่ละข้างในรูปของสัตว์ที่กล่าวมาก็มีที่กล่าวมีชุนัะแล้วก็มีกบทั้งหลังที่สุด น, นี่ก็เห็นเป็นช้างนะบอกว่าข้างหลังนี่ก็โจตัวเป็เนชางก็ก้มลงกลาง <S 2> <S 2> <S ่าวท่านนะก้ม กราบก้ลงไปกราบท่านไปกรในรูปของช้างกรับช้างเหรอ่าท่านเป็นตัวกุณเจนี่เป็นช้างค่ะแล้วก็กราบท่านกราบครับอาจารย์นี่อว่าฝันเบอกว่มองเห็นแต่ตเป็นสัตว์แต่าท่านนี่ก็เป็นสัตว์ที่ดีเลยทั้งซัวทั้แม่ไม่ไม่จะเหยียดเงใครคะเป็นสัตว์ที่ดีเี่ยมเลยทั้แมเป็นกบเป็นกบที่ร้อน ใี้ภาวนาเห็นแล้วงั้นเหรอเขาบอกว่ามันมันเหมือนเห็นก็เหมือนเห็นก็อยู่ในอยู่อยู่ในใจแต่จะเห็นว่าเป็นมันเป็นโฟมเป็นเป็นรูปร่างแ <c oughs> ั่เรียนเึ่งจะ้ถานเห็นแต่ว่าเห็นออกมาเลยเหรือบอกว่าเห็นในเข้าใจร่าทช่คำใช้คำว่ามาโนภาพ มันเป็นคําถามเลยนี่เป็นเล่าไล่ฟังมันเป็นคำถามออาคำถามเธอเธออยากจะทราบมันมีความหมายได้ยังอ๋อหรือการปฏิบัตินัเป็นการปฏิบัติได้ผลอย่างไรแล้วเวลาตอบแล้ ว, ลวคุณเจนจะทราบได้ยังไงเจนจะตอบให้เธอทราบเลยนะเขาบอกเคย อ, อยากจะถามไม่กล้าจึงก็เลยอาสามจะถามให้เงาไม่กล้าถามเราก็ไ ม, ไม่กล้าตอบเราคิดเกียด ตรถามกลัวเดี <c ười> <c ười> à, ๋ยวถ้าจะดเ่ะกลัวจะดุนเ้ยอะไรจานนี ển, ỏ, ่มันเหมือนเสือตัวนึงเธอไม่กล้ามันจะเหมาะสมไมเหมาะสมกับการโกงเอหนูเช่อาจานจะไม่เหมาะอะไรดุก็ดุเวลาจะดุมันไม่เหมาะไม่หมายังดุได้ใช่ม้ยก็เวลาคิดเกลียนก็เหมาะไม่ตอบคิดเกียนเนี่ยอย่าหนึงเห็นือว่าเหมาะ ขัดที่นี่ไหนก็ตมามเรามันเป็น ม, นมโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ยจนหมดเอมาเทียบที่พี่น้าเอาเนี่ยข้อเรื่องของนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนก็คือสัตว์มันยอมเป็นแตเรื่องของความรู้มกว้างแคบต่างกันดุจเดีออยร์พิีารต่างกั น, น, นเรื่องวัตรจกักร คือความหมุนเวียนน่ะเขาก็หมุนไปแบบของเข า, า, าบบขเรากนะ็ายยาาานนาหมุนมาแบบของเรานแน่ที่งายนั้นที่ที่น่าเป็นธรรมแล้วนี่เราหมุนมาแบบของเราข้อาหลุนแบบของเขาแต่ก็อยู่ในวงของวัตตะเป็นผู้เดินในวัตตะด้วยกนะันนะไมนถึงเป็นจะต้องอาศัยภาพนั้นมาถามเป็นปัญหาเอาภาพจากความคิดธรรมดาหรือเอาภาพที่เรามองเห็นในที่ทั่ทวไปธรรมดาเอามาพิจารณาก็ได้ ความอยากเดียวกันนี้่กระจายหรอนี่ฮึกระจายหรือยังไม่แน่คะนั่นสิคือไม่อยากจะตอบคุณอนะเคยอธิบายให้ฟังหลัหลานครั้งหนึ่ง ร, รู้ไม่ค่อยจะเข้าใจความครัง้งที่สองครั้งที่สามไม่ใช่เล